พรทรายปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2ปองพระสูตรที่สพยะเพรวะวสูตรสูตรว่าด้วยความกลัวและสิ่งที่น่ากลัวพระผู้มีพระภาคประทับนเจตวนารามชานุสัตโสนิพรามเข้าไปเฝ้ากราบทูลสรรเสริญว่าทรงเป็นหัวหน้าเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้แนะนำกุลบุตรที่ออกบวชอุทิศพระองค์ แล้วกราบทูลต่อไปว่าเสนาสนะอันสงัดอันตั้งอยู่ในป่าและราวป่าอดทนได้ยากความสงัดความเป็นผู้อยู่ผู้เดียวทําได้ยากยินดีได้ยากประหนึ่งว่าป่าจะนําใจของภิกษุผู้ไม่ได้สมาธิไปเสียพระผู้มีพระภาคตรัสรับว่าเมื่อก่อนตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์ พระองค์ก็เคยทรงคิดถึงเสนาสนะป่าเช่นนั้นแล้วได้ทรงแสดงความคิดของพระองค์ก่อนตรัสรู้16ข้อที่เกี่ยวกับเสนาสนะป่าดังต่อไปนี้ทรงคิดว่าสมณพราหมณ์บางพวกมีการงานทางกายไม่บริสุทธิ์มีการงานทางวาจาไม่บริสุทธิ์มีการงานทางใจไม่บริสุทธิ์มีอาชีพไม่บริสุทธิ์ มีความอยากได้มีราคากล้าในกามมีจิตพยาบาทมีความหดหู่ง่วงงุนรัดรึงจิตมีจิตไม่สงบมีความลังเลสงสัยเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นเป็นผู้สะดุ้งหวาดกลัวใกล้ลาบสการะชื่อเสียงเกียดคร้านมีความเพียนเลวหลงลืมสติมีจิตไม่ตั้งมั่นหมุนไปผิดมีปัญญาซามน้ำลายไหลเวลาพูด สมณพราหมณ์เหล่านี้เสพเสนาสนะอันสงัดอันตั้งอยู่ในป่าและราวปา่าย่อมเรียกร้องเอาอากุศลเพราะเหตุโทษ16หข้อนั้นมาเป็นความกลัวและสิ่งที่น่ากลัวแต่พระองค์คือสมัยทรงเป็นพระโพธิสัตว์ไม่มีโทษ16หข้อนั้นทรงเห็นความสมบูรณ์อันตรงกันข้ามกับโทษ16หข้อใ น, นพระองค์จึงมีขนตก หมายถึงไม่หวาดกลัวไม่ขนพองอยู่ป่าได้ดีผู้หนึ่งในพระอริยเจ้าผู้เสพเสนาสนะอันสงัดอันตั้งอยู่ในป่าทั้งหลายการเผชิญความกลัวครั้นแล้วทรงแสดงถึงความคิดของพระองค์เมื่อก่อนตรัสรู้ต่อไปอีกว่าเมื่อถึงวันส4ค่ำสิหค่ำและ8ดค่ำแห่งปัก ควรทดลองอยู่ในเสนาสนะที่น่ากลัวน่าขนพองสยองกล้าวเช่นสวนป่าต้นไม้ที่คนเข้าใจว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะได้เห็นความกลัวและสิ่งที่น่ากลัวเมื่อทดลองเข้าไปสู่ที่เช่นนั้นเมื่อสัตว์เดินมานกยุงทํากิ่งไม้ตกลงมาหรือลมพัดถูกเศษใบไม้เราก็คิดว่าความกลัวและสิ่งที่น่ากลัว ก, กาลังมา และมาในขณะที่เราอยู่ในอาการใดเช่นกําลังเดินยืนนั่งหรือนอนเราก็จะอยู่ในอาการนั้นไม่เปลี่ยนอาการเป็นอย่างอื่นขจัดความกลัวและสิ่งที่น่ากลัวให้จงได้แล้วเราก็ทำตามที่คิดนั้นบางพวกหลงวันหลงคืนสมณพราหมณ์บางพวก ก็หลงกลางคืนว่าเป็นกลางวันหลงกลางวันว่าเป็นกลางคืนแต่พระองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นทรงแสดงข้อปฏิบัติของพระองค์ครั้นแล้วทรงแสดงข้อปฏิบัติของพระองค์คือการตั้งสติจนมีอารมณ์เป็นอันเดียวได้ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สแล้วทรงได้วิชาและแสงสว่างประเภทระลึกชาติได้ในยามที่หนึ่ง ประเภทที่พยะจักษุเห็นการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายในยามกลางประเภททำอาสวะให้สิ้นในยามสุดท้ายแล้วตรัสสรุปในที่สุดว่าอาจมีผู้คิดว่าพระองค์ยังไม่หมดราคะโทสะโมหะจึงต้องเสพเสนาสะนะอันสงัดอันตั้งอยู่ในป่าซึ่งไม่ควรคิดเช่นนั้นพระองค์ทรงเห็นอำนาจประโยชน์สองอย่าง จึงเสพเสนาสนะอันสงัดอันตั้งอยู่ในป่าคือหนึ่งความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของพระองค์เอง 2. ทรงมุ่งอนุเคราะห์คนรุ่นหลังเพื่อให้ถือเป็นตัวอย่างชานุสัตโสนิปรามก็รับรองว่าทรงอนุเคราะห์คนรุ่นหลังอย่างแท้จริงแล้วประกาศความเลื่อมใสในพระธรรมเทศนา แสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต